เรเจริญพรทุกท่านวันนี้มีคนจากเมืองจีนมาเรียนนั่งที่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ท้งเวลานั่งรวมกับคนไทยะแยกกันไม่ออกะน่าเหมือนกันเปียกเลยอย่เวณตอนพูดคนโบราณเก่งนะบักสำเนียงสอภาษา ภาษาเพราะว่าชาติเสียงที่พูดออกมาก็ได้สะท้อนคนจีนมาเรียนช่วงนี้มาสักสิบวันแล้วไปเรียนที่ปัดหลายวันอุตสาห์มาเดินทางมาอยากได้ธรรมะ ก, กลับไปเมืองจีนเขาก็ภาวนากันตั้งใจมาก เรียนตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนทุกวันทุกวันในเวลาอาทิตย์เดียวเท่านี้สวนมากก็ตื่นทั้งหมดแล้วเหลือสักคนสองคนมันไม่ตื่นตื่นยังไม่ค่อยอาศจรรย์แยกขันได้ส่วนใหญ่ก็แยกขันได้แล้ว ถ้าเขาแยกขันได้แล้วถัดใจนี้ก็แค่เจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการดูาธาตุขันมันทำงานเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนดูเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วหมุนอย่งี้ถ้าเขาสามารถทำได้ตอนไหนมีกำลังดูจิตได้ก็ดูจิตไป ตอนไหนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้สวดมนต์ไปทําความสงบไปหรือพิจารณาธรรมะอะไรก็ว่าไปให้ใจได้คล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ที่ดีมีความสุขจิตเ็มีสมาธิขึ้นมาได้ความสงบงั้นดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบ ถ้าทำอย่างนี้ไม่ทอดทิง้งเจ็ดวเดือนเจปีควรจะได้อะไรบ้างเรียกว่าเราจเจริญสติปัฏฐานอยู่พระเจ้าท่านรับรองสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นคำามาทางสายเอกก็มีความหมายหลายอย่างเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางที่พระพุทธเจ้าคนพบคนอื่นคนไม่ได้ต้องคนที่เป็นเอกจริงๆ คือพพุทธเจ้าทางสายเอกคือทางสายเดียวไม่มีทางสายที่2องอย่างนี้ก็แปลได้ทางสายเอกหมายถึงว่าทางที่เดินครั้งเดียวนะถะาเดินครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเดินซ้ําผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีกลับมาอย่างได้โซดาแล้วไม่มีทางกลับมาเป็นพุทธชนอีกละขาดแล้วก็ขาดกันไปเลยเรีนทางสายเอก ท่านพูดถึงอ น, นิสง์ของการเจริญสติปัฏฐานไว้ว่าบางคนก็เจ็ดปีได้พระอราหันต์ถ้าไม่ได้พระอราหันต์ก็ได้พระนักขาบางคนก็หกปีได้พระอราหันต์ได้พระนักขาบางคนสามปีบางค น, ป, งคนปีเดียวบางคนแค่ไม่ครบปไีไม่กี่เดือนเจดเดือนคำว่าเจดเดือนก็คือไม่กี่เดือนเป็นสำนวนแขรบางคนก็สองสามเดือน บางคนก็เดือนเดียวบางคนไม่กี่วันไม่กี่วันให้เจ็ดวันบางคนสามวันบางคนวันเดียวพวกที่เจริญสติปัฏฐานวันเดียวก็บรรูพระอราหันต์หรือพระนาคาเนี่ยพวกแก่กล้ามากมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลหลายท่านฟังทำวันเดียวก็บรรู้แล้วหรือฟังเทศกันเดียวก็บรรู้แล้วได้พระอราหารันต์ นีมาในยุคพวกเราเนี่ยธรรมะก็ยั ง, ยงดำรงอยู่สติปัฏฐานก็ยังดำรงอยู่คำสอนอันเนี้ยแต่อินทรีย์พวกเราเนี่ยมันไม่เข้มแข็งเท่าคนที่เขามีบารมีมากคนที่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยคนไม่ธรรมดาถ้าไม่ดีมากก็เร็วมากไปเลยอย่างเทวทัต ก, ก็ไม่ใช่คนไม่มีบารมีนะเทวทัต ก, ก็บารมีสูงถ้าเทียบกับพวกเราแล้วสูงกว่าพวกเราอีก อย่างเทวทัศน์เนี่ยพ้นจากอเวจีมาได้ในวันข้างหน้าเขาจะเป็นพระปัจเจกพบพุทธเจ้าบารมีสูงกว่าพวกเรานี่พวกเราบารมีไม่เท่าคนที่ได้ฟังธรรมตรงจากพุทธเจ้าเราก็อาศัยความอดทนนะค่อยๆพากเพียรปฏิบัติไปเจ็ดปีไม่ได้พระนาคาเขยังไม่เป็นไรนะเอาให้ได้โสดาก็แล้วกัด แต่เดิมเนี่ยมันดูสิ้นหวังบางคนปฏิบัติมาทั้งสามสี่สิปีไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความสงบนั่นภาวนาผิดหรอกภาวนาแล้วติดอยู่ในความสงบอย่างเดียวไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่รู้วิธีที่จะเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเจริญปัญญานี่พวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยจะได้เปรียบ ถ้าเราสังเกต น, นะเราจะเห็นในลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นแรกๆเนี่ยเจอหลวงพ่อตั้งนานแล้วนะบางคนเจอตั้งแต่ยังไม่บวชนนะเจอที่นี่แหละหลวงพ่อมาฟังหลวงปู่เหลียนเทศที่นี่แหละก็มานั่งตอนไหนหลวงปู่มิเทศมานั่งถามก็มาฐานลูกศิษย์รุ่นนี้ม่เข้าไหนเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยทํางานอยู่ส่วนใหญ่ทุกวันเนี้ยคือพวกที่ช่วยทํางานพวกนี้พวกเสียสละสูงนะ เหมือนเทียนไขนะจุดตัวเองให้แสงสว่างกับคนอื่นตัวเองก็ไหมไปเรื่อยๆนะเ้าต้องขยันภาวนาหน่อยก็แล้วกันนะแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้พวกเราลําบากนะถ้าไม่มีรุ่นบุกเบิกนะพวกเราจะเรียนกรรมฐานยากกว่านี้ไม่มีสื่อที่จะเรียนนี่พวกนี้เสียสละช่วยกันทําเก่าๆพวกนี้อาจจะมุ่งพุทธภูมิกันช่วยคนอื่นอย่างใจ จะตัดตรงเข้าไปมาผลนิพพานก็จะลำบากนิดหนึ่งแต่คนรุ่นหลังๆดูอย่างคนจีนคนจีนมาเรียนอาทิตย์เดียวแยกขันได้แยกขันได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสักเมื่อ30สปีก่อนครูบาอาจารย์ที่ดีวิเศษยังเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทักส0สกว่าปีก่อนแต่คนที่ลงมือปฏิบัติแล้วรู้สึกตัวเป็นยังหายากเลย อย่าว่าแต่คนแยกขันได้เลยมารุ่นหลังๆนี้ฟังกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็บแยกกันเป็นที่จริงแล้วมันมีปัจจัยอีกอันหนึ่งคือคนซึ่งมาเรียนรุ่นแรกๆเนะี่ยพวกนี้ชอบปฏิบัติคนที่ชอบปฏิบัติเนี่ยจะพยายามควบคุมจิตตัวเองจะชินอย่างนั้นเพราะฉน้นให้ลงมือปฏิบัติที่จะไปนั่งสมาธินั่งเพ่งอะไรพวกนี้ส่วนพวกที่มาทีหลังเนี่ยพวกไม่เคยสนใจปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นพวกนี้เพ่งไม่เป็น ฟุ้งซ่านเป็นอย่างเดียวงั้นทําผิดอันเดียวคือฟุ้งซ่านส่วนพวกที่มาก่อนเนี่ยผิดสองอันฟุ้งซ่านบ้างเพ่งบ้างนะก็เลยช้ากว่าพวกเราพวกที่มาทีหลังเนี่ยพวกขี้เกียจขี้คล้านไม่ได้สนใจการภาวนามาก่อนงั้นเพ่งไม่เป็นมาถึงมาได้ยินได้ฟังธรรมะทั้งภาวนาไปได้แต่ข้อเสียมันก็มีนะพวกที่เข า, าเพักเปลี่ยนมาแต่แรกเนี่ย มันมีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติพวกนี้ไม่เลิกง่ายๆนะยังไงก็อึดหากเพียนทำอยู่งั้นนะคนที่มาทีหลังเนี่ยบางทีฉับชวยนะเพราะว่าใจไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวในการภาวนาบางทีทาบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างแต่ถ้าภาวนาถูกหลักจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยกขันได้แล้วเนี่ยแล้วขยันนะขยันดูไม่เลิอกอ่ะมันจะไปได้เร็ว จะไปได้เร็วตอนหลวงพ่อหัดภาวนาตีแรกหลวงพ่อก็ทำสาแสมาธิตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยก็เดินปัญญาไม่เป็นแต่นั่งสมาธิจะให้สงบ ง, ง่ายมากนะหลับตาหรือลืมตาก็สงบอยากสงบก็สงบได้แต่มันไม่เดินปัญญานี่พอมารู้จักหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิต ที่จริงดูกายก็เจริญปัญญาได้นะถ้าดูเป็นไม่ใช่ต้องดูจิตอย่างเดียวแล้วการดูจิตนะถ้าดูไม่เป็นก็เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสนาเหมือนกันไม่เดินปัญญานี่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อให้ดูจิตเห็นจิตมันทำงานการที่เราเห็นจิตมันทำงานนะัคือการเดินปัญญาถ้าการบังคับจิตให้สงบให้นิ่งนะคือการทาสมถะนี่หลวงปู่ดูลสอนไม่ให้แทรกแซงจิต ตอนแรกท่านให้ดูจิตหลวงพ่อก็ไปแทรกแซงจิตไปรักษาตัวรู้เด่นดวงไว้เพราะมันเคยชินนี่พอท่านบอกว่าทำอย่างนั้นผิดเป็นการแทรกแซงจิตแล้วก็ปล่อยให้จิตทำงานเลยจิตทำงานเมื่ออะไรจิตทำงานเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเใจคิดนึกนี่จิตนี่จงานทางานอย่างอะไร ทำงานปรุงความสุขบ้างปรุงความทุกข์บ้างปรุงความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างปรุงเฉยๆยไม่กุศลไม่อกุศลบ้างแล้วแต่จิตจะทํางานขึ้นมาเนี่ยพอหัดรู้หัดดูนะเห็นจิตมันทํางานไปเรื่อยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาทําไมดูได้มากทําไมดูได้นาน พว่าสมาธิที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมาธิเลยเนี่ยถึงจะไปดูจิตดูใจนั้นดูได้พักเดียวเดี๋ยวจิตก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่พวกที่ดูจิตโดยที่กําลังของสมาธิไม่พอนะจิตจะหนีไปอยู่ข้างหน้าไหลไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปสว่างว่างอยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็คิดว่ารู้ตัวอยู่รู้สึกตัวตลอดจะทําอะไรรู้ตลอดเนี่ยจะหันซ้ายหันขวารู้ตลอดไม่สังเกตอันนึ่งว่าจิตมันเคลื่อนออกไป มองไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไปสว่างว่างอยู่หน้าจิตแบบนี้ไม่เดินปัญญาเพราะอะไรเพราะมันจะเห็นแต่ความสุขนะเห็นทุกอย่างมาทุกอย่างไปจริงอะแต่จิตเนี้มีแต่ความสุขแล้วจิตนี้เที่ยงคงที่เที่ยงอยู่นั่นเองพวกที่ภาวนาผิดนะก็จะเห็นว่าจิตเที่ยงจิตนี้แหละตัวสุขจิตนี้บังคับได้คือแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนิจจังก็เห็นว่าเป็นนิจจังคือเที่ยง แทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ก็เห็นว่าจิตนี่เป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าจิตบังคับไม่ได้ก็รู้สึกบังคับได้ทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้อย่างเงี้ยอยู่ได้นานหลายหลายวันนี่ภาวนาผิดนะคือไปแทรกแซงจิตแล้วก็สมาธิไม่พอจิตมันเคลื่อนออกไปพวกนี้บางคนเข้าฌานเก่งด้วยซ้าไปนะแต่สมาธิไม่ถูกไปนั่งเพ่งออกข้างนอกแต่จิตไม่เข้าฐาน เงืสมาธิที่จิตถึงฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เชีละเรื่องคอขาดบาดตายเขานักปฏิบัติในตำรายังสอนนะบอกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิทั่วๆไปทําให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิทําให้เกิดปัญญาสมาธิที่ถูกสมาธิที่ผิดเป็นสมาธิหลายแบบสมาธิที่ผิดเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่มีสติจิตโยตไหลออกไปข้างนอกเนี่ยสมาธิอีกชนิดหนึ่งมีสติ แต่จิตไม่ถึงฐานจิตเขาไหลยอยู่เหมือนกันไหลไปนิ่งอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าไม่ไม่ขาดสติรู้ตัวอยู่ถ้าขาดสตินะก็จะเห็นน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์บางคนเห็นถึงพระนิพพานนะพระนิพพานนะเป็นพระพุทธรูปนั่งเข้าแถวอยู่นะดันั้นจิตหลอนทั้งสิ้นเลยนะไม่ใช่นิพพานในความหมายของพระพุทธเจ้านิพพานของพระพุทธเจ้าคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยาก เนี่ยคนที่เคยทำสมาธิมาก่อนก็อย่าเสียใจวันที่เราเดินปัญญาเป็นนีกำลังสมาธินะมันเป็นประโยชน์มันทำให้เราเนี่ยดูจิตดูใจได้นานหลวงพ่อตอนหัดดูจิตให้เป็นวิปัสสนาเนี่ยดูจิตเกิดดับเนี่ยดูถูกสมาธิเลยเพราะทาสมาธิอยู่22่สิบงปีไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบดูถูกสมาธิไม่ทำสมาธิ อาศัยกําลังสมาธิเก่านั่นแหละยี่สิสองปีนะมาดูจิต ด, ดูใจที่เจริญปัญญาได้จริงจสองปีเองเลยสองปีไปแล้วเนี่ยจิตสมาธิไม่พอจึงจะเคลื่อนไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วไม่รู้ไม่เห็นรู้แต่ว่าจิตเนี่ยทำไมมันสว่างมันว่างมันสบายมันมีความสุขแต่ไม่เห็นมันจะก้าวหน้าไปเลยมันก็อยู่ตรงนี้งมีแต่ความสุขอยู่ตรงนี้เอง ดีว่าเจอหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้ท่านว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องดูให้ถึงจิตจริงๆจิตต้องถึงฐานจริงๆพอครูบาอาจารย์บอกก็มาสังเกตโอ้จิตหลอกนอกหลวงปู่ดินบอกจิตออกนอกเป็นสมุทัยจิตออกนอกนี่ทั้งๆที่เราดูจิตอยู่นี่แหละจิตก็ไหลออกไปข้างนอกเราะฉนั้นต้องพยายามนะฝึก ก่อนที่จะเจริญปัญญาได้ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องสก่อนสมาธิที่ถูกต้องต้องไม่ขาดสติถ้าขาดสติก็เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับจิตถ้าจิตไปไหลไปอยู่ที่อารมณ์นิ่งอยู่ที่อารมณ์อันนั้นเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่ใช้ทาความสงบถ้าเป็นสมาธิที่จิตถึงฐานตั้งมั่นอย่างนี้ถือจะไปเดินปัญญาได้ งั้นถ้าจิตมันไปว่างอยู่ข้างนอกนะมันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจเนะี่ยโอกาสที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่มีเลยมันจะมีแต่ความสุขเงั้นเราต้องสังเกตจิตใจของเรานะถ้าจิตใจเราไหลออกไปข้างนอกไปสว่างไปว่างอยู่ข้างนอกนะให้กลับมารู้สึกตัวเริ่มต้นใหม่หายใจเข้าหายใจออกนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัว บางคนรู้ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ได้เพราะลมหายใจเป็นของละเอียดละเอียดมากจนกทั่งสติตามไม่ทันเราก็ใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นเช่นใช้อีริยา บ, บทสยืนรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนไม่ชอบรูปธรรมชอบรู้นามธรรมเราก็ดูคนไหนขี้โกรธนั้นก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายต่อไปเวลาโกรธขึ้นมาจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ อันนี้แหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐา น, นแต่เป็นการเจริญสติปัฏฐานในขั้นที่หนึ่งสติปัฏฐานนั้นมีสองขั้นขั้นที่หนึ่งทำไปเพื่อความมีสติทําไปเพื่อให้สติเกิดสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะนั้นเรามาหัดรู้สภาวะบ่อยๆพมเรารู้สภาวะบ่อยๆแล้วต่อไปสภาวะอะไรปรากฏจิตมันจําสภาวะได้สติจะเกิดเองนะเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยต่อไปพอเราใจลอย เราหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวนะสติมจะเกิดเองหรือเราหัดดูร่างกายยืนก็รู้สึกตัวเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะต่อไปพอร่างกายขยับปุ๊บมันจะรู้สึกตัวเองไม่ได้เจตนาก็รู้สึกได้เองเนี่ยเป็นวิธีฝึกสติปัฏฐานขั้นแรกฝึกให้ได้สติมาก่อนถ้าไม่มีสตินะศีลสมาธิปัญญาไม่มีต้องอาศัยสติถึงจะศีลสมาธิปัญญาถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้น หรืออย่างคนไหนขี้โกรธนะเราก็ฝึกรู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ต่อไปจิตจําสภาวะความโกรธแม่นพอโกรธปุ๊บรู้ปั๊บหรืขัดใจเล็กๆก็เห็นละขัดใจเล็กๆสติก็เกิดละรู้โอ้ก็ไม่พอใจละหเห็นๆนั้นสติก็เกิดงั้นพวกเราต้องฝึกนะของดีของวิเศษนะัไม่มีการน้องขอที่ไหนได้เลยต้องฝึกต้องทําเอาเอง ครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าแถวเยอะแยะนะตายไปเกือบหมดะครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่ น, นรุ่นนี้รุ่นนี้ดีจริงๆนะรุ่นโตๆพวกเนี้ยแต่และองค์แต่กว่าท่านจะดีท่าน ล, มล่มลุกลุกคลานทุกองแหละบาองค์ตุดงอดข้าวอดปลาหลงปาก็มีนะเจอเสือเจอช้างเจองูที่น่ากลัวกว่าเสือช้างงูก็มี เจอผู้หญิงน่ากลัวเจอเสือเจอช้างอย่างระวังใช่ไหมเจออุบาสิกาหน้าตาแช่มชื่นผมสบายสวยงามนึกว่าจะดีมาชวนศึกไปซะหญิงเนี่ยกว่าท่านจะผ่านมาได้ท่านก็ลมลุกครุกครันทุกองไม่มีหรอกของฟรีไม่มีหรอกพวกเราอยากได้ของดีอย่างท่านนะแต่พระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปให้ดู หลวงปู่มั่นลงมาถึงครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกราบได้เต็มไม้เต็มมือคว่าท่านจะดีอย่างนี้นะท่านก็ลําบากอดทนมาทุกอง์นะของฟรีไม่มีหรอกมีแต่ของที่ต้องอดทนแลกเปลี่ยนมาทั้งนั้นเลยนี่ท่านก็ถ่ายทอดธรรมะมานะหลวงพ่ออย่างดีอย่างหลวงพ่อเรียนรูปที่สามเนะี่ยจากหลวงปู่ ด, ดุล น, นะ หลวงปู่ดูล่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยของหลวงปู่มัน่นแล้วท่านภาวนานะใช้เวลาสั้นที่สุดเลยภาวนาไม่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะท่านเร็วกว่าหลวงปู่มัน่นท่านได้ก่อนหลวงปู่มัน่นเพราหลวงปู่มัน่นมัวแต่เผยแพร่หลวงปู่มั่นส่งปุ่มทรรมที่สามอยู่สอนหลวงปู่ดูลไม่กี่เดือนนะปุ๊บปบปั๊ บ, บสอนดูจิตนี่แหละสอนดูจิตนี่แหละให้เห็นเลย จิตเดี๋ยวก็ปรุงดีจิตเดี๋ยวก็ปรุงชั่วมันก็ปรุงไปท่านก็เห็นนืจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับเห็นไม่นานไม่กี่เดือนท่านก็รู้แจ้งในอริยสัจอริยสัจขั้นสุดท้ายได้เป็นอริยสัจแห่งจิตก็รู้ว่าตัวจิตนี่แหละตัวจิตถ้าส่งออกไปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นด้วยปัญญา ถ้าเห็นด้วยสติเรียกว่าเห็นเฉยๆถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็เห็นด้วยปัญญาคือเห็นว่าจิตนี่เป็นตัวทุกข์พอท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเรียกรู้อริยสัจนะพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งทั้งก็ปล่อยวางมันจะปล่อยออกมันเองเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งให้เห็นทุกข์นั่นเองเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ก็ปล่อยวางจิตได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเองอาศัยจิตดวงเดียวนะจิตเหมือนเมล็ดผลไม้ เหมือนมเมล็ดมะม่วงเหมือนมเมล็ดทุเรียนอะไรอย่างนี้แหละเมล็ดเดียวนี้นะตกลงไปที่ดินงอกขึ้นมาได้เป็นต้นมะม่วงต้นทุเรียนทั้งต้นเลยจิต ด, ดวงเดียวนี้แหละถ้าเชื้อเกิดคือเอวิชาอย่างอยู่มันจะไปงอกขันห้าขึ้นมาใหม่ขันห้านี้แตกไปกสร้างขันห้าใหม่ขึ้นมาอีกไม่จบไม่สิ้นหรอกเป็นมเมล็ดพันธุ์ของมันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ลำบากนะแต่เบื้องต้นที่ท่านภาวนาเนี่ยท่านก็ฝึกให้มีสติ เ่ส่วนใหญ่ก็จะหัดพุโทโธกันพุโทโธพุธโทโธแต่ไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองท่านพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตอย่างคุณแม่จันดีเนี่ยเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังเลยว่าท่านเรียนจากหลวงตามหาบัวท่านรู้สึกท่านจะพ้นทุกข์พ้นร้อนตั้งแต่ปีสามห้ารืออะไรจำไม่ได้นะจำประมาณสามสิบกว่าท่านบอกหลวงตาสอนท่านนะพุโทโธรู้สึกอยู่ที่ตรงนี้รู้สึกอยู่ที่ ปลายจมูกเนี่ยพุโทโธไปแต่ไม่ใช่เพ่งนะแค่รู้สึกห้ามเพ่งพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปรู้ทันพุโทโธพุทโธจิตหนีไปรู้ทันนะเพราะเราหัดพุดโทโธหรือหัดทํากรรมฐานอะไรก็ตามนะคอยรู้ทันจิตตรงนี้ถ้าท่านเห็นจิตเคลื่อนคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกนะต่อไปพอจิตเคลื่อนมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ได้สติใช่ไหม แล้วถ้าจะเจริญปัญญาต่อไปจะทำยังไงทำได้สารพัดนะอย่างครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านจะมาดู ก, กายก่อนอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเลยเพราะว่าจริตนี้สายเป็นอย่างนั้นดูกายเอาไม่ลงนะดูกายจนกายระเบิดนะตั้งแต่ยังไม่บวชเลยดูจนระเบิดเรี่ยงดูไม่กี่นาทีหรอกก็แตกไปหมดกายเป็นแสงไม่เห็นจะมีอะไรเลยเหลือจิตดวงเดียวไปต่อไม่เป็นนะนะที่จริงก็คือ ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยตั้งแต่กายระเบิดไปนะพอถอยออกมาแล้วเนี่ยพอมีกายเนี่ยจิตกับกายแยกขาดจากกันแนละมันจะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายขาดแยกเลยตั้งแต่นั้นเพรนั้นตัวรู้เนี่ยจะเด่นนะนี้ถ้าพวกเราฝึกนะทีแรกทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันคนะอยรู้ทันสภาวะถ้าเรารู้ทันสภาวะนะเช่นจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้นี่ก็เป็นสภาวะแบบหนึ่ง เป็นตัวโมหะจิตเคลื่อนไปเนี่ยเป็นตัวโมหะหรือถ้าคนไหนขี้โกรธที่หเห็นโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้ต่อไปพอมันโกรธปุ๊บนะสติเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดมันก็เกิดคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเห็นเมียชาวบ้านก็ชอบนะชอบไปหมดเลยมีไม่ชอบอย่างเดียวคือเมียตัวเองนะเอกจากนั้นราคะเกิดโลภะเกิดตลอดอย่างเงี้ย่ถ้าพวกโลภมากนะ หรือบางคนตะกละนะเห็นแล้วอยากกินตลอดเวลาใครเป็นบ้างมีไหมเราดูสิแปลกอย่างนะพวกยกมือเนี่ยนะบางคนพร้อมผอมพวกมีบุญนะกินเท่าไหร่ก็ไม่ว่วนอะ่ะหลวงพ่อเลยกินนี้เดียวเลยนะเทียบกับลูกศิษย์หลวงพ่อฉันนิดเดียวกรรมพันธุ์มันวุน่นเนี่ยสงสัยใจมันขี้โลคแล้วใครรู้ทันรอบขึ้นมาก็รู้หายโลค ก, ก็รู้รอบขึ้นมาก็รู้หายโลครู้พะจิตมันจําสภาวะโลคได้นะ ต่อไปพอลภเกิดปุ๊บสติเกิดเองรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเพั้นไปดูตัวเองนะว่าเราควรจะรู้กายหรือรู้จิตรู้กายก็เห็นร่างกายหายใจไปถ้าร่างกายหายใจละเอียดเกินไปดูไม่รู้ดูไม่ออกก็ดูอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนถ้าอิริยาบถสี่ยังไม่รู้อีกกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกนะกระดุกกระดิกท่าไหนก็รู้สึกมันท่านั้นแหละ เนี่ยคยรู้สึกไปเยอย่างสายโลวงเตียนหลงพ่อเตียนสอนขยับสิบสี่จังหวะสองมือนะสิบสี่จังหวะที่ตัวสําคัญไม่ใช่อยู่ที่จังหวะจังหวะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องสิบสี่ก็ได้นะจังหวะไม่สําคัญหรอกตัวที่สําคัญคือสติฉนั้นอย่างที่ท่านขยับแล้วจิตนี้ไปแล้วท่านรู้อันนี้ท่านใช้กรรมฐานอะไรท่านรู้ทันจิตใช่ไหมรู้ทันจิตที่หนีไปสมาธิเกิด อันนี้ไม่ใช่ฝึกให้มีสติอย่างเดียวนะตรงที่รู้ทันจิตนี่แหละจอไปจิตขยับนิดเดียวก็รู้อันนี้เรียกมีสตินะพอจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเรียกว่ามีสมาธินะเพราะฉนั้นตรงที่เราดูจิตดูจิตเนี่ยมันจะได้รวบยอดเลยมันได้ตั้งแต่สตินะได้ได้ศีล ไ, ได้สมาธิได้ปัญญางั้นครูบาอาจารยนะ์สอนเลถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้เราค่อยมาดูกายก่อนนะเพราะอะไร กุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นถ้ า, ถ, าถ้าดูจิตนะมันจะได้ครบเลยนะสติก็ได้วิธีดูจิตให้มีสตินะเราทํากรรมฐานสิ่อย่างหนึ่งเช่ในหายใจไปพุโทโธไปอะไรก็ได้นะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเนี่ยจิตมันจําสภาวะการเคลื่อนได้พอจิตเคลื่อนปุ๊บสติมันจะเกิดมันจะรู้ทันว่าเคลื่อนแล้วแล้วก็พอสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยนะ จิตจะตั้งมั่นคือจิตไม่เคลื่อนเลยโดยที่ไม่ได้เจตนามันตั้งมั่นขึ้นมาเองเลยแม้ตรงที่เราเห็นจิตขยับคลุกคลิกคลุกคลิกนะอย่าดูถูกนะเนี่ยบางคนเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆไม่เข้าใจดูจิตดูทําไมว่าจิตขั้นแรกมันต้องดูกายสิเนี่ยอะไรเงี้ยเนี้ยภาวนามไม่รู้เรื่องหรอกถ้าภาวนารู้เรื่องหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่มีใครว่าสักองหนึ่งนะอย่างหลวงตามหาบัวนะัชอบสอนพุโทโธพิจนา ก, กายนะหลวงปู่เหรียนก็เหมือนกันนะ หลวงปู่เรียนสมัยหลวงพ่อเข้าไปหาแรกๆเนี่ยเห็นท่านสอนคนอื่นพูดโทพี่อกายหลังๆพูดแต่จิตท่วงเลยหลวงปู่เทตก็สอนให้ดูจิตหลวงตามหาบัวนั้แก้กรรมฐานดูจิตให้หลวงพ่อด้วยซ้ําไปนะงั้นถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปครูบาอาจารย์อีกองหลวงปู่สุวัสด์นะท่านก็สอนท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมสอนอย่างนี้นะงั้นจะเห็นธรรมจริงๆก็เห็นที่จิตนี่เองงั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าจิตหลงไปไหลไปจิตขยับขยื่อนอะไรคอยรู้สึกไปไม่ห้ามไหลก็ได้ขยับก็ได้แต่ไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บจะรู้สึกเคลื่อนปุ๊บรู้สึกแต่ถ้าดูจิตเคลื่อนไม่เป็นนะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นโมหะเป็นจิตที่ดูยากที่สุด จิตตะกูลโมหะดูยากที่สุดนะอย่างร่างกายเนี่ยอาณาปณะสติลมหายใจเนี่ยละเอียดที่สุดดูยากกว่าอย่างอื่นนะถ้าถ้าตัวที่ดูง่ายของร่างกายเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวสรรยชัญญะบัพเพะดูง่ายถ้าลมหายใจก็ดูยากถ้าดูจิตเนี่ยจิตที่มีโมหะเนี่ยดูยากที่สุดคือจิตที่ฟุง้งคือจิตที่เคลื่อนเนี่ยดูยากที่สุดถ้าตรงนี้ไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจ จิตที่ดูยากอันดับสองนะรองลงมาก็คือจิตที่มีราคะจิตโลภดูยากที่สองส่วนจิตที่ดูง่ายที่สุดคือจิตโกรธจิตโกรธเป็นจิตที่หยาบที่สุดระหว่างจิตโกรธกับจิตโลภอันไหนหยาบกว่ากันนึกออกไหมเวลาเราโลภเนี่ยจะย่องไปขโมยของเขาเนี่ยต้องย่องย่องเนียเวลาโกรธก็ทะลึ่งตึงตางไล่เตะไล่ตบเลยใช่ไหมมันหยาบกว่ากันแล้วจิตจิตมีโมหานี่นะ มันมันเนียนเช่นนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยใจลอยใจมีความสุขใจลอยนเะลินไปนะเลินไปอย่าเงี้ยใจลอยไม่รู้เนื้อรู้ตัววันวันหนึ่งดูยากงั้นถ้าเราทํากรรมฐานนะเราดูตัวเองอย่างหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนทําสมธาธิหลวงพ่อใช้อนาปันสติเวลาจเจริญปัญญาหลวงพ่อดูจิตพวกเราไม่ต้องเหมือนหลวงพ่อเราดูตัวเองว่าของเราเหมาะกรรมฐานอะไร นะถานาดดูกายใช้หมวดไหนหรือจะเห็นชัดก็อานั้นถ้าถานาดดูจิตนะถ้าดูโทสะได้อย่างเดียวก็ดูโทสะไปนะถ้าราคามันเด่นก็ดูราคาไปถ้าราคาโทสะไม่แรงจิตขยับคลิก ๆ, ๆก็เห็นได้นะก็ดูตัวนี้ไปเลยพวกเราส่วนใหญ่จะโทสะแรงนะใครโทรสะแรงยกมือซิยกมือยุค ข, ของเราเนี่ยจะเป็นยุคโทสะแรงนะเราหนีนรกมาเกิดกัน ส่วนใหญ่ผู้ภูมิเดิมของเรามันจะโอ้ยมันหงุดหงิดอ่ะสังเกตไหมว่าเราช่วยกันเรามาจากที่ต่ํานะใจเราเล่าร้อนอ่ะเราก็มาช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้เหมือนที่เราคุ้นเคยนะามาทําสิ่งที่เราคุ้นเคยนั่นแหล ะ, ะเราไม่ได้ชินที่จะถือศีลฟังธรรมอะไรนี่นะคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้มาจากข้างบนอ่ะนะมันเคยชินที่จะทำร้ายเบียดเบียนการผิดศีลผิดธรรมกันมานะ มันก็ไปตามความเคยชินช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะเมื่อสักสาสิบปีก่อน่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกท่านบอกว่าเออเราดูไปนะตอนเนี้ยสัตว์ในนรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเกิดเยอะมากเลยอืต่อไปบ้านเมืองมันจะร้อนนะมันจะเบียดเบียนกันนิพพานได้ก็ให้นิพพานไปเถอะเหมือนท่านพูดง่ายอะเนาะ เราเองก็คงมาจากนรกเหมือนกันเหมือนที่อกมาอยังไม่ได้ิ่านเร็วนะเนี่ยถ้าเราไปนคนขี้โกรธนะอย่าเสียใจจงปูมิใจเสเถิดว่ามีบุญหนักหนานะได้กรรมฐานง่ายเออเห็นไหมรู้จักมองโลกแง่ดีมีความสุขนะแล้วต่อไปก็หัดมองโลกตามความเป็นจริงนะจะคนทุกขนะ์มองโลกแง่ดีโอ้โทระัพท์เยอะไหมโทรศัพนี่ดูง่าย โกรธปุ๊บรู้สึกโกรธปุ๊บรู้สึกทีแรกก็ต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้นะโกรธแบบเลือดขึ้นหน้าแล้วแล้วถึงจะรู้ต่อมาเนี่ยขัดใจเล็กๆก็จะเห็นนะขัดใจนิดนึงก็เห็นแล้ไม่แช่มชื่นใจความไม่แช่มชื่นใจสักนิดเดียวก็โทสะนะเป็นฟัาตกูลโทสะแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยใครสังเกตตัวเองลึกๆอ่ะมีความไม่แช่มชื่นใจอยู่บ้างไหมเห็น ไ, ไหมขณะที่มีความสุขอยู่รู้สึกไหม ฉาบผิวข้างนอกมีความสุขฟังเทศฟังธรรมร่าเริงลึกลงไปเนะี่ยมีความกังวลอยู่นะมีความกังวลมีความเศร้าหมองมีความเครียดซ่อนเร้นอยูนะ่ตัวจริงอยู่ที่นั่นนะตัวตัวปลอมเนื้อโชว์ออกมาพยายามดูนะพยายามค่อยๆสังเกตลอกเปลือกเอาออกมาเอาตัวจริวออกมาดูให้ได้แต่ไม่ใช่ปล่อยให้มันขึ้นมาแล้วก็ออกมาอารวาสนะมันขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอา อย่างแต่ละคนนะียบอกว่าตัวเองดีตัวเองวิเศษนะพอมาภอวนากับหลวงพ่อสักพักเดียวนะบอกเลยว่าตัวเองกิเลสเยอะจริงเพราะอะไรเพราะเราเริ่มมีสติปัญญานะเข้าไปขุดคุยเข้าไปรู้เท่าทันจิตใจตัวเองถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็นั่งทับสิ่งโสโครกอยู่แล้วไม่รู้อะ่ะเหมือนบางคนนะช่วยเก้าอี้มันเพื่อนอึอยู่หมามันมาอึไว้หรือแมวมาอึไว้เราไม่รู้เราไปนั่งมันเหม็นขี้แมวที่ไหนว่านั่งทับอยู่นะมันไม่เห็นนะอ เวลาภาวนาไม่เป็นเนียกิเลสมันมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นนะงั้นต้องหัดนะสติเนี่ยจะเป็นตัวรู้ทันนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นอาศัยฝึกไปด้วยด้วนยะคนไหนขี้โกรธก็ดูจใจโกรธขึ้นมาก็รู้ทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงรู้ต่อไปโกรธนิดหน่อยก็รู้ต่อไปหงุดหงิดก็รู้ใครขี้งอนบ้างขี้งอนก็ตะกูลโทสะนะเออกังวลก็ตรโทรสะขี้เหนียว ขี้เหนียวัตระกูลโทรษะนะมีคนไหนขี้เหนียวบ้างย้งมือสิเคยจับเหรอโดนหลอกเนาะเนี่ยคอยรู้ทันนะรู้ลงไปรู้ลงไปพอเรารู้ได้ทีแรกก็จะรู้ของหยาบต่อไปจะรู้ของที่ประนิตขึ้นเลยไดละเอียดขึ้นเลยได้หัดทีแรกไม่ต้องรู้หลายอย่างขี้โกรธก็ดูโกรธเป็นหลักขี้โลดดูโลดเป็นหลักนะ แต่หลวงพ่อเนี่ยมันภาวนานมาเแต่ดเด็กอารมณ์มันไม่รุนแรงมีเหมือนกันตอนวัยรุ่นโมโหตึงตังมีนะแต่จะโมโหแว บ, บเดียวโมโหแล้วก็จะคำโมโหแล้ว อ, อะไรอย่างงี้ขึ้นมาเนี่นะยนันจะตลกอะ่ะมือทำท่าบ้าๆนนะไม่ค่อยโม โ, มโหนานหรอกงั้นเวลาภาวนานะมันไม่ค่อยมีโลภมีโกรธให้ดูมันมีแต่หลงใจมันไหลคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกแต่ตรงนี้มันละเอียด ถ้าจะดูจิตไหลนะจิตมีโมหะเนี่ยต้องทํากรรมฐานสักอันหนึง่งแล้วพอจิตเคลื่อนไปจากกรรมฐานเราจะได้รู้ถ้าลำพังถ้าไม่ทําอะไรเลยอยู่ย่านอกร อ, อ, อย่างนี้นะไม่เหมือนโกรธนะโกรธปุ๊บขึ้นมาก็ดูง่ายเนี่ยแต่ถ้าใจลอยอย่างนี้ดูไม่ออกต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยสังเกตแต่อย่าจ้องนะพุโทโธไปจิตนี้ไปเรารู้เนี่ยหายใจไปจิตนี้ไปเรารู้ลองหลวงพ่อใช้หายใจ ถ้าฝึกอนัปปานสติมาหายใจไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้เคลื่อนแล้รู้ในหัดอย่างนี้พอฝึกมากๆนะสติมันก็ชํานานขึ้นพอสติเกิดถ้าเรายิ่งได้เรารู้ทันตรงที่จิตเคลื่อนได้เนี่นะเคลื่อนเรารู้สึกเคลื่อนเรารู้สึกได้สติเคลื่อนเรารู้สึกเนี่ยกิเลสจะไม่เกิดกิเลสจะไม่เกิดจะไม่ทําผิดศีลนะเราจะมีศีลอันงดงามคือศีลอัตโนมัตินะเพราะไม่มีกิเลสมายุ่งให้ทําผิดศีลเลย ถ้าพอกิเลสมันแรงขึ้นมาเป็นคลังข่าวนะจะทําผิดศีลเนี่ยมันจะเห็นน่ะเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมานะถ้าทําตามเนี่ยจะละอายใจทําไม่ได้นะละอายใจทั้งต่อนหน้าและรับหลังไม่มีคนเห็นก็ทําไม่ได้ละอายใจนะ ใ, นใจไหลเราเห็นนะ่ะกิเลสพุดเราเห็นนะเราจะละอายใจศีลมันจะมาเองนะมีฮีริโอะตะป่าขึ้นแล้วตรงที่จิตเคลื่อนไ ป, เปนเป็นจิตที่ฟุ้งซ่าน พอเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านก็คือจิตมีสมาธิจริงก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาเห็นไหมตรงที่เราเห็นจิตไหลคลิกคลิกคิ๊กนะได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิแล้วถ้าจะเจริญปัญญาทําได้ไหมทําได้อย่างวิเศษเลยนะเราจะเห็นว่าจิตนี้มี2ชนิดเองจิตรู้กับจิตหลงจิตรู้กับจิตหลงสลับกันทั้งวันจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยง จิตรู้สั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้จิตหลงห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะเป็นอนัตตาทั้งคู่เพราะงั้นแค่เห็นจิตกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่าดูถูกนะตรงเนี้ขั้นเจริญปัญญาขั้นสุดยอดเลยล่ะลนะเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของจิตเนี่ยการพอนําจะสั้นนะเพราะว่าสุดท้ายมันต้องตัดเข้ามาที่จิตจนได้แหละถึงจะอ้อมมาจากกายก่อนก็ตามนะกอขั้นสุดท้ายเข้ามาตรลุมบอลลงที่จิตนี่เองนะ ถ้าแจ้งอริยศาสตร์แห่งจิตรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์เมื่อไหร่ก็หลุดตรงนั้นแหละถ้ายังไม่รู้สึกก็จะไม่ไม่พ้นออกอย่างบางคนมา่ก่อนนะทำหนังสือเขียนแจกไปทั่วประเทศเลยนะพระนี่แหละมืาบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนผิดว่าจิตไม่เที่ยงจิตเที่ยงจิตคือตัวสุขเนี่ยจิตบังคับได้พูดไม่เหมือนพุทธเจ้ากลายเป็นจิตเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไป ไม่ใช่หรอกอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิทำไมเป็นอย่างนั้นวพาะติดสมาธิติดสมาธิมันจะทรงอยู่ได้ทั้งวันนี่อย่างนี้เที่ยงถ้าให้สุขก็ต้องอ่อนลงหน่อยสุขมากๆนะมันของจอมปลอมทั้งหมดเลยนะ <c oughs> มันของไม่เที่ยงมันของเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่มีเห็นธรรมหรอก นะขืนจ่บอกมันเป็นสุขก็คือไม่ได้ธรรมะแล้วนะนั้นถ้าใจเข้าถึงธรรมจริงๆ จ, จะเห็นนะในขันห้านี้รวมทั้งจิตนะมีแต่อริจังทุกขังอนัตตาดนะังนั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนะมันจะได้หมดนะได้สติต่อไปพะจิตขยบับรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้เรียกว่ามีสติพนะารู้ทันปุ๊บจิตขยับรู้ทันปุ๊บไม่ผิดศีล ก็จะมีศีลอัตโนมัติมีฮิริโอต ป, ปะไม่ทําผิดศีลจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บความเคลื่อนดับก็ได้สมาธิได้ความไม่เคลื่อนนะได้ความไม่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปรู้สึกเคลื่อนไปรู้สึกในที่สุดก็เจริญปัญญานะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับนี่คือขั้นเจริญปัญญาในขั้นพระโสดาบันนะ งั้นเราแค่เห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะี่เป็นพระโสดาได้นะไม่ยากหรอกค่อฝึกดูไปเรื่อยๆพอภาวนาต่อไปต่อไปนะีมันจะเห็นเลยจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะจิตมีความอยากจิตก็มีความยึดจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้ใครเห็นตรงนี้แล้วบ้างยกมือสิมีไหมอยากทีไร ท, ทุกทุกทีรู้สึกไหมเออไม่ต้องรอว่าผิดหวังไม่สมอยากหรือจะทุกข์หรอก แค่อยากก็ทุกข์ละเพราะความอยากเกิดขึ้นใจจะถูก บ, บีบขั้นดูออกไหมถูกบีบคั้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะโอ้ดีจะรู้เลยโลกนี้มาเห็นจะวิเศษตรงไหนเลยอยากไปดูรูปเพื่อจะมีความสุขแต่แค่อยากก็ทุกข์แล้วเนี่ยรูปจะมีความหมายอะไรอยากจะได้ยินเสียงเพราะได้ยินเสียงอย่างนี้จะมีความสุขแต่แค่อยากจะได้ยินเสียงก็ทุกข์ซะแล้วแล้วการได้ยินเสียงจะมีประโยชน์อะไรจะมีความหมายอะไรเนี่ยมันจะเห็นถึงขนาดนี้นะ ในสุดจิตมันจะไม่ไปติดอยู่ในการมคุณอารมณ์มันจะรู้อะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะทั้งหลายสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิน้นกายทั้งหลายเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้ถ้าจิตลหลไปไหลไปเข้าไปสแสวงหาเมื่อไห่จิตทุกข์เมื่อนั้นจิตแสวงหาจิตเกิดจิตเกิดจิตถูกทําำลายใ น, นโลกงู่โดนสอนอย่างนี้นะแต่ภาษาท่านจะแปลกเนี่ท่า น, ท, านท่านคนสุลินนะพูดขเขมรมากกว่าพูดไทยงั้นสำนวนท่านบางทีฟังลำบากนิดนึง จิตแสวงหามันแสวงหาอะไรมันแสวงหาอารมณ์จิตแสวงหาจิตเกิดเห็นไหมเกิดอะไรเกิดตัวเกิดตนขึ้นมานะจิตเกิดแล้วจิตถูกทำลายเกิดได้ก็ดับไดนะ้มีเราขึ้นมาเมื่อไรแล้วเราก็ตายนะเกิดได้ดับได้มีสุขขึ้นมาแล้วสุขก็ดับมีทุกข์ทุกข์ก็ดับมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็ดับหมดเลยเนี่ยท่านสอนอย่างนี้เนี่ยถ้าเราบางคนพอนานมานะโดยใช้ดู ก, กายมาเนี่ย มันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่ดีร่างกายนี้เป็นตัวทุกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายไม่ใช่ของดีของพิเศษหมดความรักความผูกพันในตาหูจมูกลิ้นกายนะได้ภูมิธรรมขั้นที่สนะไม่มีกรรมและปฏิฆะเพราะไม่รักกายเพราะไม่รักกายไม่รักตายเนไม่รักตามันก็ไม่รักรูปนะไม่รักหูมันก็ไม่รักเสียงที่มันรักตาก็เพราะมันรักรูปถ้าตาเรามองรูปไม่เห็นเราจะรักไหมล่ะ ถ้าหูเราไม่ได้ยินเสียงเราจะรักหูไหมมันก็ไม่รักนะเนี่ยเรามีตาเรารักตาเพราะเรารักรูปเรารักหูเพราะเรารักเสียงเรารักจมูกเพราะเรารักกลิ่นเรารักลิ้นเพราะเรารักรสถ้าลิ้นเรากระดิกได้อย่างเดียวนะวันวันเมาส์ได้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะเราไม่รู้รสชาติเนี่ยกินอาหารเนี่ยหาความอร่อยไม่ได้ไม่มีความสุขเลยนะหรือร่างกายเนี่ยมันรักกายเพราะมันสัมผัส เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้เนี่ยเป็นรักสิ่งเหล่านี้แต่พอมันเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันก็เลยหมดความรักในรูปเสียงกยลภภิ่นรสโปรตพะเมื่อไม่รักรูปเสียงกยลิ่นรสโปรตพะนะความยินดีความยินร้ายในรูปเสียงกยลิ่นรสโปรตพะก็ไม่เกิดด้วยกามและปฏิฆาก็ไม่เกิดด้วยอย่างนี้สําหรับพวกดุกายนะ แต่สำหรับคนที่ดูจิตมาตั้งแต่แรกเลยสตาร์ทด้วยการดูจิตมาเลยเนี่ยมันจะเห็นอีกมุมหนึ่งมันจะเห็นว่าจิตมีความอยากจิตเก็มีความยึดจิตมีความยึดจิตมีความทุกอยากเมื่อไหร่ก็ทุกนั้นนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นอยากอะไรสิ่งที่อยากอยากเห็นรูปอยากเห็นรูปก็ทุก์อยากได้ยินเสียงก็ทุกอยากได้กลิ่นก็ทุกอยากได้รถก็ทุกอยากสัมผัสทางกายก็ทุกถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็หมดอยากนะเมื่อมันไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดสภาแล้วนะ มันก็หมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาณหมดความยินร้ายด้วยไม่สนใจมันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะมันก็ผ่านได้เหมือนกันนะแต่ผ่านคนละมุมกันมุมมองของจิตมันจะมองได้ต่างกันแต่พอถึงขั้นแตกหักแล้วก็จะลงที่เดียวกันแล้วจะลงมาที่จิตแล้วนี่ที่ครูบาอาจารย์สอนมาเป็นแบบนี้นะพวกเราเรียนต่อๆไว้เหมือนหลวงพ่อได้เทียนมาเล่ม น, นึงนะต่อไฟมาจากครูบาอาจารย์ทอดทอดียนมาเนี่ยตอนนี้ก็ส่งให้พวกเราบ้าง พวกเราก็มีหน้าที่รักษาเอาไว้เคยเวียนเทียนไหมเวลาเราเวียนเทียนนะบางทีไฟของเราก็ดับใช่ไหมดับแล้วทําไงเราไปต่อคนข้างๆเนี่ยรักษาพระพุทธศาสนาเรารักษาวิธีนี้นะบางทีไฟมันดับลงไปในพื้นที่หนึ่งนะมันยังเหลืออยู่ที่อื่นก็รีบไปต่อออกมาอย่างเมืองจีนเนี่ยไฟเขาดับไปแล้วนะเขามาต่อจากเมืองไทยไป ต่อไปเมืองไทยไฟดับต้องไปต่อคืนจากเมืองจีนนะอะนะออะย่านึกหน้าว่าจะรอดนะนะไม่มีอะไรหรอกที่จะเที่ยงนคนชั่วร้ายมันมากมากเต็มทีแล้วนะคนไม่มีศีลมีธรรมเต็มไปหมดละะไม่มีใครสนใจพระพุทธศาสนาหรอกไม่มีใครรักษาให้เราหรอกนเราที่เห็นคุณค่าเราที่ลงมือปฏิบัติกันเห็นคุณค่ากันนี่แหละเราต้องช่วยกันรักษาไว้รักษาได้นะ ใครเขามีโอกาสเขามาเรียนก็ให้เขาหลวงพ่อคนจีนมาเรียนนะไม่เก็บตังค์เลยนะเอาเงินมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เอาไปช่วยจัดคอร์สต่อนะไม่ไม่ได้เอาไว้ใช้เองเลยเพราะหลวงพ่อก็มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เนะช้าเช้าขึ้นมาเนะ่ครูบาเขาก็ตักข้าวที่บินบาตรได้นี่แหละ <laughs> ใส่บาตรให้หลวงพอ่อใส่ให้หนึ่งอันนะก็ได้ฉันข้าวได้แค่นั้นอนะ่ะวันหนึ่งนะ กลางวันเขาใจดีหน่อยนะเขาหาผลไม้ไว้ให้สองสามชิ้นฉันอยู่แค่นั้นอ่ะแต่โตเอาโตเอ า, เอา <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรคนมันมีบุญนะมันมีความสุขอ่ะ <c oughs> มันไม่ค่อยเผาผลาญ น, นะฝึกนะฝึกอย่างคนจีนเขารู้เรื่องนะต่อไปเราอาจจะต้องไปเรียนที่เขาพระเจ้าอาโศกเนี่ย เป็นองค์แรกที่มองกันไกลจริงๆพุทธเจ้าอ่ะท่านคิดไว้ก่อนพอท่านได้พระสาวกรุ่นแรกแล้วนะประมาณห0สิองค์นีท่านส่งส่งให้จาริกออกไปประกาศธรรมะให้แยกย้ายกันไปประกาศธรรมะเนี่ยให้เผยแพร่ออกไปพระเจ้าส่ก็มองต่อไปอีกอีกช็อตหนึ่งเผยแพร่อยู่ในแค่เดินไปเผยแพร่แค่เนี้ยยังใกล้เกินไป ท่านส่งข้ามประเทศส่งธรรมมาข้ามประเทศทางตะวันออกเนี่ยข้ามมาสุวรรณภูมิเลยเถียงกันว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนนะพะม่าก็ว่าอยู่ที่ของเขานาะเมืองไทยแต่เดิมเพก็ว่าอยู่เมืองไทยนี้คนไทยก็พยายามพิสูจน์ว่าสุวรรณภูมิอยู่เมืองไทยเลยตั้งสนามบิน <c oughs> อ๋อถ้าเขาถามว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนเองไปดูสิน ะ, อ, ะอยู่ที่นี่แหละ <c oughs> แต่ถ้าเป็นใจหลวงพ่อนะหลวงพ่อคิดว่าพม่ามากกว่า จากอินเดียมันควรจะถึงพม่า ก, ก่อนไทยแล้วลงไปดูผู้กามดิผู้กามมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะมันมันต้องฝังรากขนาดหนักเลยนะถึงจะสร้างาศาสานสถานได้ขนาดนั้นนะถ้าศรัทธา น, นิดๆหน่อยๆทาไม่ได้หรอกนะมันใหญ่โตมหาสาลขนาดนั้นสร้างตะวันตกนะเขาก็ไปถึงอัฟกานิสถานนะทางใต้ลงมาที่ลังกาอย่างตอนนั้นยังไม่ค้นพบทวีปออสเตรเลีย ถ้าคนพบท่านอาจจะส่งพระไปก็ได้ตอนนั้นดีแค่นี้รู้จักกันอยู่แค่นี้นี่ศาสนานี่ก็ถ่ายทอดลงมาตอนมาที่อินเดียศูนย์นะที่ลังกายัางอยู่เนี่ยลังกายัางอยู่ลังกาก็เป็นเซ็นเตอร์เแล้วก็กระจายออกมาต่อมากระจายมาเมืองไทยแล้วนะลังกาศูนย์ไปรับจากเมืองไทยกลับไปลังการับจากพม่าด้วยไม่ใช่ไทยคนเดียวหรอกเราก็ชอบพูดว่าพระลังกาเนี่ยบวชไปจากพระไทยความจริงเขาบวชหมดแนละ้ จากพม่า ก, ก็มีจากมอฑก็มีจากไทยก็มีเนี่ยเอากลับไปเมืองจีนเขาก็เคยได้ธรรมะสายเหนือสายมหายาณขึ้นไปนี่ต่อมามีปัญหาความวุ่นวายมากมายศา ส, สนาคนปฏิบัติกิจลําบากอะไรเนี่ยศา ส, สนาก็หายไปช่วงหนึ่งแต่จริงๆก็โงไม่หายสูญออกนเยงแต่ว่ า, ก ร, า ก, กระจายอยู่ตามป่าตามเขาพอมีบ้าง นี่คนจำในบ้านในเมืองเขาไม่มีเขาไม่มีตอนนี้เขาก็มาหาตอนนี้ก็มาหาคนจีนตอนนี้ฐานะเขามั่งคัง่งเขามีกําลังพอที่จะมาเรียนได้นะแต่คนไทยเราก็ยังเป็นฝ่ายให้นะสมัยที่คนจีนยากจนประเทศจีนยากจนนะอพยพ ม, มาอยู่เมืองไทยทํางานได้มีป่ยวยกวนะส่งเงินไปช่วยญาติพี่น้องนะตอนนี้เราก็ยังให้เราให้ธรรมะ คนไทยไม่ค่อยมีกระตังแล้วล่ะเพราะเราเหลีวแหลกจริงๆค่อนข้างเหลีวแหลกนะบริโภคบริโภคเยอะเกินไม่ค่อยผลิตไม่ค่อยผลิตวันหนึ่งเราอาจต้องกลับไปเรียนที่อื่นนะงั้นการที่เข้ามาเรียนได้พวกเราควรจะอนุโมทนานแต่ดีที่สุดก็คือเรียนให้รู้เรื่องด้วยตัวของตัวเองตั้งแต่วันนี้นะไม่ต้องรอไปเรียนจากเมืองจีนอีกทีนะ อย่างนั้นโง่หลายเลยมีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนต้องรอไปอีกเนะี่ยไม่ฉลาดแล้วลวะพอสมควรแก่เวลานะกราบนมัสกรารหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นค่ะธรรมดา <c oughs> ใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนี่หลวงพ่อสอนที่วัดนะพอสอนโยมเสร็จนะเวลาสอนพระนี่มีเก้าอี้ตรงหน้าหลวงพ่อเนี่ยพระที่ฉลาด รู้เท่าทันเนี่ยจะไม่ยอมนั่งก็จะหลอกพระที่ไม่เคยมาให้มานั่งค่ะหนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่วัดบุรพาค่ะแล้วหลวงพ่อเมตตาให้หนูไปดูความโกรธเห็นไหมเห็นเยอะเลยค่ะเออหนูเห็นไหมว่าจิตหนูเปลี่ยนเห็นค่ะรู้สึกไหมมีความสุขมากขึ้นรู้สึกไหมใจมันสว่างขึ้น มันเบาขึ้นค่ะก็เป็นช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูมีปัญหาตรงที่ว่าหนูหนูเห็นแต่แต่ความทุกข์อะค่ะเห็นอะไรนะเห็นมันบีบค่ะแล้วก็เห็นเห็นมันบีบคั้นค่ะถูกแล้วแล้วมันไม่หายอะค่ะหลวงพ่ไม่หายขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้ขันห้าเป็นสุขนะแต่ตอนเนี้ขันห้าเป็นทุกข์มันแสดงทุกข์ให้เราดูใจเราไม่ชอบ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขันห้าเป็นทุกปัญหามอยู่ที่ใจไม่ชอบต่างหากก็หลวงพ่อก็บอกแบบนั้นนะคะแล้วหนูก็ไปพยายามดูให้มันเป็นกลางมันกม็มันไม่เป็นหรอกมันต้องใช้ความอดทนมากเลยนะหลวงพ่อก็เคยมีปัญหาตัวเนี้ยเห็นมันบีบอยู่กลาง อ, อกนะไว้ทั้งวันทั้งคืนนะอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยนอนหลับอยู่อย่างเห็นเลยเพราะสติมันแรงมากเลยสุดท้ายไม่รู้จะทายังไงไปถามหลวงพ่อพุ๊ด ที่วัดป่าสารวัตรตอนนั้นมีงานบูรพาจารย์หนึ่งถึงสามธันวาไปประดีงานพอดีเลยไปเจอหลวงพ่อพุธเนี่ยไปเล่าให้ท่านฟังบอกว่าเห็นตัวนี้ทั้งวันทั้งคืนนั้นมันมีแต่ทุกข์นะท่านก็บอกว่าการภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ยิบยับยิบย่ำแค่นี้แหละท่านบอกงี้นะใจมันก็ยังไม่ยอมมันมันก็ทุกข์อะแล้วเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยใจมันจะคิดอย่างนี้เรื่อยๆนะ ท่านอาจรหลวงพ่ออยู่ร่วมชั่วโมงเลยพระแนะนําเวียนมาตามหลวงพ่อครับได้เวลาไปเทศที่สาลาใหญ่แนละ้วพระก็รออยู่เต็มเลยโยมก็รออยู่เต็มหลวงพ่อพุธบอกเอาไว้ก่อนตรงนี้สําคัญไอ้นั่นเทศตามพิธีกรรมเอาไว้เทศที่หลังท่านพยายามติดแก้ให้หลวงพ่อนะแต่ใจหลวงพ่อมันไม่ยอมก็มันทุกข์อ่ะใช่ไหม<ช>แล้วไหวยิบยับยิบยั บ, ย บ, ยบทั้งวันมันทุกข์ อ, อ่ะสุดท้ายนะหลวงพ่อพุธเหนื่อย ชั่วโมงหนึ่งแก้ไม่ตกหลวงพ่อก็สงสารท่านนะหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมจะไปดูเอาเองก็แล้วกันหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาใหญ่เถอะแล้วก็กลับเขียนจดหมายไปหาอจารย์มหาบัวะตอนแรกๆเขียนไปถึงนะท่านตอบนะเขียนไปถามท่านเนี่ยท่านส่งหนังสือมาให้ท่านบอกท่านเราเพิ่งไปทําตามาท่านคงไปผ่าต้อกระจกอะเราเพิ่งไปทําตาใหม่มาเราเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองในหนังสือ อันนั้นเรื่องทำเตรียมพร้อมนะเปิดออกมานะหน้าหน้าที่เปิดออกมาเนี่ยคือเรื่องที่ตัวนี้ยิบยับนี่แหละเหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกเลยก็ไม่เห็นจะพ้นทุกตรงไหนเนี่ยนะใจรู้สึกอย่างนี้อีกสุดท้ายนะวันหนึ่งนะเดือนกว่านะเต็มไปด้วยความทุกข์ยืนรอรถเมย์จะไปทำงานโอ้เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยแล้วนึกขึ้นได้ไหมทำสมาธิซะหน่อยดีกว่า ไม่ได้ทําสมถนานแล้วนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทนับสองนับได้ยี่สิบแปดทีนะจิตรวมเลยจิตรวมนะพอจิตถอยออกมานะมาเห็นในตัวนี้นะจิตมันไม่เกี่ยวกันแล้จิตมันไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วนะไอ้นี้ก็ทํางานไปขันมันก็ทําไปคือถ้าสมาธิไม่พร้อมจะทุกข์เยอะมัจะลําเข็นมากเลยแต่ยังไงก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะขันเป็นทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้ขันเป็นสุขนะ แต่เมื่อไรใจรู้ความจริงของขันใจยอมรับความจริงแล้วใจจะวางขันใจปล่อยขันออกไปใจไม่ทุกข์หรอกนะขันเป็นทุกข์แต่ไม่มีใจที่เข้าไปแบกเ้าฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่ฝึกให้หายทุกข์ไม่มีทางหรอกแล้วหนูต้องทำสมถะเพิ่มนะคะทำได้ทุกวันก็ดีนะทำสมถะเ็รารู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อหายใจหายใจก็สงบนะ ถ้าเราไม่ชอบเราก็ใช้อย่างอื่นอตอนห น, หนูไม่เคยทําหนูคิดว่าหนูหนทําสมถะไม่ได้คะ่ะเพราะว่าใจมันจะฟุง้งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ะไม่ต้องสวดหลายบทหรอกนโมตัตตส萨ภะะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแค่นี้ได้ไหมได้เออแค่นี้ถ้าอยางยาวไปก็พุโทโธธทำโมสังโฆถ้ายาวไปก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไป มากกว่านี้ไม่ได้นะโทโทอย่างเดียวไม่ได้ <c oughs> <selection> คือหนูสวดหนูก็สวดทุกบทแล้วค่ะต่อเวลาสวดหรือเวลาทําทําสมถะหนูหนูพุโทโธรไปแล้วหนูรู้ทันโทรสะไปเคล็ดมันอยู่ตัวนี้ท่านนั้นแหละใจหนูมันไม่เป็นกลางใจหนูมีโทรสะงั้นพุโทโธไปโมโหไปเมื่อไหร่จะสงบไม่สงบหรอกตอนที่หนูทําทําอ่ะสวดมนต์ไปด้วยหรือว่าดูกายหายใจมันจะเห็นมันจะเห็นว่า จิตมันมนาไหลไปที่อื่นนะคะนั่นไปเจริญปัญญาอีกแล้วมันทําเองค่ะหลวงพอ่อมันมันเคยชินหลวงตามหาบัวก็เคยเล่านะตอนที่แรกหัดภาวนาทีแรกทําแต่สมาธิไม่ยอมเจริญปัญญาแต่พอเจริญปัญญาเป็นไม่ยอมทําสมาธิอีกแล้วนะต้องฝืนนะไหลไปกลับมารู้สึกใหม่พุทโธใหม่นะหลงไปอีกกลับมาพุทโธใหม่ไม่เจริญปัญญาอย่างนั้นถึงจะได้พัก หนูมีวิธีหนึ่งที่ตอนนั้นมันทุกข์มากค่ะหนูก็เลยไ ม, ไม่ไม่ทำเลยค่ะอะไรงไม่ได้ <laughs> ไม่ทำเลยไม่ได้ไม่มีแรงทำไมไม่ไหวจริงๆนะไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงปลานะตามวัดต่างๆเพราะมีวังมัดฉาอะไรเงี้ยนะ <laughs> ที่วัดก็าขายอาหารให้ปลาแล้วก็หยอดอาหารให้ปลาใจมีความสุขนะมันก็ได้สมาธินะ กับนามัสการเจ้าค่ะหนูเคยมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครั้งนึ่งแล้วเจ้าค่ะแล้วประโยคสุดท้ายที่หลวงพอ่อเมตตาบอกก็คือว่าให้ภาวนาไว้เป็นเครื่องป้องกันทุกข์แล้วหลังจากนั้นก็ก็เจอจริงๆแล้วก็ก็ได้เห็นสภาวะหลายอย่างอ่ะเจ้าค่ะอืแล้วก็จนวันนี้ก็คือโชคดีกเจ้าค่ะที่ได้ปฏิบัติเพราะยังไงเออดีเจ้าค่ะไม่งั้นจะแย่ไปแล้วไม่งั้นอาจะ บ, บ้าไปแล้วเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยวันนี้อยากจะมาส่งกันบ้านเพราะว่า ช่วงหลังคือพอหลังจากที่มันผ่านช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นหลายๆอย่างแล้วจนเห็นมันจะเห็นตัวที่มันทําอะไรกับมันไม่ได้จนกระทั่งมันต้องวางไปเองอะเจ้าค่ะทีนี้พอเห็นใบ่อยๆเข้าหนูก็เลยมีวิธีทําอยากให้จิตตัวเองมันเหมือนกับมีปิติก็พยายามไปทําบุญช่วงหลังก็คือเพิ่งเมื่อวานเนี้ยเจ้าค่ะพอไปแล้วคือมันก็ไปด้วยความอยากอแล้วพอไปจริงๆในสถานที่ที่เราเคยมีปิติเยอะมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่ามันไม่มีปิติ มันก็เลยเหมือนกับว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่ให้ไปหรอกเจ้าค่ะภาวนามาถึงจุดตรงนี้มันจะเห็นนะ อ, อยู่ตรงไหนก็ทุกตรงนั้นแหละแล้วเวลาทําบุญนะมันจืดจืดตอนนี้ใครรู้สึกไปทําทานจืดมากมีไหมเวลาใส่บาตรเลยนะจืดชืดคือใจที่มันเคยพาวนานะมันเคยได้บุญใหญ่มาแล้วนะไอ้บุญอย่างเนี้ยแลกกระตี๋เดียวทําแล้วจืดจืด แต่ทําได้ก็ทํามีโอกาสก็ทํานะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องดิ้นรนมากที่หนูทําอยู่ <c oughs> ที่พันมาหนูใช้ได้ะนะแต่หนูดูโทรศัพท์ไว้วถึงจะดูถูกดูอะไรนะโทรศัพท์ก็แอบแทรกอยู่ได้ด้วยไปดูตัวนี้ไว้เช้าต่อไปสวัสดีครับหลวง พ, พ่อครับเ อ, อขอบคุณหลวง พ, พ่อมาก อ, อตรงนี้โทรศัน้อยลงคนะของโยมพานาดีคือเราล้วละ สามคนที่ส่งมารวมทั้งคนที่สี่ด้วยใช้ได้เออตอนนี้ติดอยู่ว่าตอนภาวนาไปเนี่ยมันมันมีสติรู้อย่างเดียวแต่ ม, ม, มันอะไรนะมันมีสติรู้อย่างเดียวอะรู้ว่ารู้อย่างเดียวเออรู้ว่ามันตอนนี้มันทำอะไรอยู่อยู่แต่มันไม่ยอมองมองไม่เห็น่ะมีสติรู้อย่างเดียวคือคือรู้ว่ามัน มันมันมีอะไรอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามองเรียกไม่ออกเรียกไม่ถูกเรียกชื่อไม่ถูกอย่างนั้นแหละภาวนาเก่งถ้ายัางเรียกได้นะภาวนายัางหยาบอยู่ถ้าเห็นสภาวะนะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับไฟไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะดีนะเออดีแต่มันแต่ใจมันก็อยากรู้ให้รู้ว่าอยากครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าคุณนอสอนนะของจริงนิ่งเป็นใบ ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงแล้วของจริงๆไม่มีชื่อหรอกชื่อมันเป็นสมมุติบัญญัติสิ่งที่เราต้องการเห็นคือเห็นตัวสภาวะแล้วก็เห็นใจรักดังนั้นตรงที่มีชื่อเรียกเนี่ยไม่ใช่สภาวะเป็นบัญญัติถ้าอย่างนั้นแสดงว่าภาวนาได้ชํานาญขึ้นนะมันไม่มีชื่อเรียกกลับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ ม, มาส่งกันบ้านครั้งที่สองคะ่ะหลังจากไป ภาวนาตามที่หลวงพ่อบอกอะคะ่ะก็ตอนอยู่วันหนึ่งขณะที่ภาวนาอยู่ก็คือแบบหลวงพ่อให้ดูร้างกายทํางานให้จิตเห็นกายทํางานหนูก็ไม่เห็นก็เลยแบบเออแต่วันนี้แบบเหนื่อยแล้วงั้นเลิกดีกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพอตอนที่กําลังจะเลิกอ่ะค่ะจิตมันก็เหมือนกับไปเห็นว่าเอ้ยตอนเนี้ยเราอ่ะเรานั่งอยู่เออแลแล้วก็เห็นว่ามันมี การเคลื่อนไหวอะค่ะอยู่ข้างในนั่นแหละที่จริงแล้วก็คือพอใจมันโลภนะใจมันโลภสติไม่เกิดงั้นพยายามจะดูยังไงก็ดูไม่ได้ชัดทีแต่ว่าอาศัยพยายามไปเรื่อยๆแล้วตอนที่หมดความพยายามอ่ะมันจะเห็นเองก็เลยแบบตอพอกำลังจะเลิกพอมันเห็นหนูก็เลยนั่งต่อไปพอเห็นต่อไปก็อยากจะไปเห็นอีกมันก็เลยไม่เห็นอีกอะนั่นแหละหลวงพ่อพูดอยู่ทุกทีนะ ถ้าอยากแล้วก็ไม่เห็นน้อกค่ะให้เรารู้ทันใจที่อยากไปค่ะพอหลังจากนั้นทุกวันนะคะก็นั่งทำรูปแบบทุกวันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยหนูเหมือนกับสมาธิมันไม่มีเหมือนเดิมอะคะ่ะเหมือนมันแบบปูปู ป, ป, ป, ปสมาธิมันดีนะอ๋อมันดีกว่าเก่านะสมาธิเราตอนเนี้ยจิตใจมันเข้าบ้านเข้าฐานแล้วเราเห็นสังขารมันปรุงอยู่วุบวับวุบวับอยู่ นะออดีไม่ใช่ไม่ดี อ, อเนี่ยครับก็เลยจะมาปรึกษาแลวง่อว่ า, วาที่ไม่รักตอนนี้กลัวหลวงพ่อก็เลยรักษาตัวรู้มากไปนิดนึง<อ>มันนิ่งไป<า>ถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะจิตมันเข้าฐานอยู่แล้วหลวงพ่อแล้วหนูต้องทําต่อไปยังไม่ได้เดินผิดอย่าโลภนะเนี่ยโลภใจโรภมันเลยอยากโน้อนอยากนี่มันเลยไม่เห็นติดปัญหาโลบส่วนพวกนี้ติดปัญหาโกรธ ทมืี้เนี่ยปลดมันทุกเรื่องเลยนะนะมันก็เลยไม่เห็นค่ะหลวงพ่อเออไปฝึกเอาไปค่นะพระขอบพระคุณค่ะ อ, อกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเอท่านที่นั้นมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตมันไม่เข้าฐานนะคะมันสว่างอยู่ข้างข้างนอกอะคะ่ะดูออกไหมก็ดูเ อ, อดูได้มันก็เข้าแหละค่ะมันก็ค่อยๆกยลับเข้ามา แล้วหนูต้องคอยรู้ทันถ้าใจไม่มีความสุขก็รู้ทันใจไม่มีความสุขก็รู้ทันนะไม่ได้อยากให้หายแค่รู้ว่ามันไม่มีความสุขก็รู้ไปดูมันมันมาเองมันกังวลเองมันเครียดเองแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มาอีกมันก็หายไปดูเล่นๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็พัฒนาได้อ่ะต่อไปขอบคุณค่ะกรรมธรรมชาติหลวงพ่อค่ะ ส่งกลับบ้านไป็ครั้งที่สองะคะ่ะตอนนี้มีนั่งสมาธิแล้วก็ตามดูใจในระหว่างวันอะค่ะแต่เหมือนกับว่าคุยกับคนอื่นแล้วมันนึกนา น, นะค่ะนึกไม่ค่อยออกอะค่ะก็เลยสงสัยว่าติดนิ่งหรือเปล่านะคะติดบ้างแหละติดว่า ง, ต, างะะติดซึม อ, อย่าให้ซึมนะเพระสนใจโลกข้างนอกด้วยนักปฏิบัติจะไม่ได้เกลียดสิ่งแวดล้อมน ะ, ะอยู่กับโลกก็อยู่กับมันแต่อยู่แบบฉลาด อยู่แบบฉลาดหมายถึงว่าเราเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นอะแล้วถ้าใจเรายินดีเรารู้ทันยินได้เรารู้ทันะ <Okay. S 2> ไม่ใช่เกลียดมันนะเบื่อใจมันเบื่อเยอะไป <Okay. S 2> เริน่งถูกความเบื่อครอบงําให้รู้ว่าความเบื่อครอบงําใจม <Okay. S 2> านาดีนะพ <Okay. S 2> านาดีถึงจุดหนึ่งมันก็เบื่ออย่างเนี้ย <Okay. S 2> แต่พอเรารู้ทันมันก็จะข้ามตรงนี้ไปได้ค <Okay. S 2> จะดีกว่านี้อีกไป <Okay. S 2> ทําเอา กลับนมัสการเจ้าค่ะอืมเพิ่งมาครั้งแรกออืม่าฟังสิ่งดีหลวงพ่อมาสี่เดือนเจ้าค่ะเสออี่เดือนทําได้อย่างนี้เขาเก่งแล้วมีความรู้สึกเหมือนติดว่างเจ้าค่ะถูก <c oughs> ให้รู้ทันว่าติดว่างแล้วต้องทํำยังไงเจ้าค่ะไม่ต้องทําอะไรถ้าเรารู้ทันว่าติดอยู่นะมันจะไม่ติดนานหรอก <c oughs> นะแต <c oughs> ่ถ้ามันติดนานให้มันรู้สึกที่ร่างกาย มาดูร่างกายร่างกายไม่ว่างอะไรกับใครเขาหรอกนะถ้าดูจิตแล้วมันว่างๆไม่มีอะไรให้ดูให้ดูกายไว้ดูกายดูยังไงยิ้มสิเห็นไหมร่างกายเออเนี่ยดูถูกเป๊ะเลยเห็นไหมจิตจะตื่นโผลงขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่แหละจิตอย่างนี้แหละถึงถูกยิ้มอีกทีไม่ตื่นแล้วเพราะจะรอดูไหนตื่นเป็นยังไง ไม่ตื่นรูปแบบทําเดินจงกรมเจ้าค่ะเออดีบางครั้งรู้เหมือนรู้สึกตัวบางครั้งเหมือนไม่รู้สึกเจ้าค่ะเออรู้สึกตัวก็รู้นะไม่รู้สึกก็รู้พยายามรู้สึกไว้เจ้าค่ะเราต้องทํายังไงเจ้าค่ะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเหมือนที่หลวงพ่อบอกเี่ยเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูดูสบายๆดูด้วยใจที่เบิกบานนะอย่าไปทำภาวนาแบบเดินจงกรมแล้วเครียดๆนะ เจ้าป่าไปดูแล้วเพื่อให้เดินจงกรมเพื่อให้เห็นว่าร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเป็นผู้รู้ที่เบิกบานเจ้าป่าขอบุ่านวันนี้พาวนาดีทุกคนเลยที่ส่งกันบ้านคนนี้ก็ใช้ได้นำมาส ก, การค่ะหลวพ่อรีบบอกไปก่อนเดี๋ยวเครียดจัดหัวใจวจะระเบิดออกมาข้างนอกแล้วอ่ะมาส่งกันบ้านข้งที่สองค่ะออคือปฏิบัติมาก็ ไปนั่งปฏิบัติมาเห็นมันเห็นลมหายใจเป็นทุกข์อะค่ะอืมมันนั่งนับสมาธิไปแล้วมันมันทุกข์มากแล้วก็น้ำตาไหลเลยค่ะเห็นถูกแล้วแล้วก็บางทีนั่งนั่งสมาธิไปนี้บางทีมันก็จะเห็นเห็นปากมันมันพังงาพังง่าพังง่ามี้ะค่ะอืมฮะนั่งแล้วทําไมปากพัง่าปากมันขยับเองแต่ว่าเราไม่ได้ขยับหรอกค่ะได้ถ้างั้นเราก็เห็นรูปมันทํางาน ใจมันเป็นคนดูแต่ดูไปนะอย่างที่รู้ลมหายใจแล้วจิตมันสลดสังเวชนะั้นรู้ถูกเลยนะรู้ถูกแต่ว่าจุดที่ยังพลาดอยู่ตรงนั้นก็คือโทสะมันแทรกนะให้รู้ทันว่ามีโทสะแทรกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นร่างกายหายใจอยู่แล้วเกิดความรู้สึกสลดสังเวชอันนี้รู้สึกถูกแล้วมันเป็นของที่น่าสลดสังเวชมากเลยใช่ลมหายใจมันเป็นทุกข์อะค่ะทุกข์ เพราะงั้นให้ใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์โลกนี้ทุกข์แน่นอนทุกข์ไปหมดเลยเออแต่ว่าใจเนี่ยมีโทส ะ, นะะใจไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตัวเนี้่พ<ะ>นะอความไม่ชอบดับไปเราก็จะรู้ทุกข์ไปด้วยใจที่เป็นกลางค่ะอืบางทีก็นอนตนื่นขึ้นมาเห็นตัวเองเห็นว่าตัวอะไรไม่รู้นอนอยู่อย่างเงี้ยเราเรามองเห็นนะคะวะ่าตัวตัวอะไรไม่ ร, <c oughs> ร, มรู้เราไม่รู้จักหรืนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ เราไม่รู้หลวงพ่อจะไปรู้แล้วตัวอะไรตัวเราไม่รู้ว่าเป็นตัวแต่เราเราตัวเรานั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวของเรานั่นแหละพอวนาเป็นถ้าบอกนี่ตัวชั้นนี่ตัวชั้นไอ้พวกนี้ภาวนาไม่เป็นหรอกเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรหรอกมันแวบเดียวที่ว่าใช่ปัญญาเวลาเกิดเกิดแวบเดียวไม่เกิดนานถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไอ้อย่างนี้ปลอมไม่ใช่ของจริงค่ะอืขอการบ้านค่ะไปทําอีกทําำเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะเออทาถูกแล้วแต่ให้รู้ทันโทสะ ภาษาทุอนุทนานสนพัธการค่ะโยมปฏิบัติเดินเดินนั่งนะคะสิบนาทีถึงสิบห้านาทีแล้วก็สวดมนต์นิดนึงก็ถ้าวันไหนเพิ่มได้ก็เพิ่มะะอะไรอยงี้ค่ะแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเฉยๆเรื่อยๆอะคะ่ะเฉยๆก็รู้ว่าเฉยนะแต่ถ้าใจไม่เฉยตลอดเนี่ยให้ดูกายร่างกายนี้มีความทุกข์แทรกอยู่ตลอดเวลา ดู ด, ดูแต่มันก็ยังแบบเฉย ๆ, ๆเรื่อยๆขยันดูนะต่อไปมันจะเฉยไม่ลงเพราะมันมีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเนี่ยพยายามดูยันนี้มันนะของคุณเนี่ยถ้าเวลาเจริญปัญญาด้วยการดูกายที่เป็นทุกข์เนี่ยคุณดูได้ชัดไปดูซ ะ, ะค่ะแล้วก็หลวงพ่อคะเออเวลาเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยเราฟังเทปเอาได้ไหมได้ไหมคะ สวดเองมันก็ได้บุญมากกว่านะโอค่ะฟังเทปเดี๋ยวใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยขนาดสวดเองบางทีใจอย่างนี้ไปคิดเรื่องอื่นเลยนะอ่าค่ะการบ้านค่ะก็เรียกสวดแยกไขสันหลังสมองนี้ไปทํางานอ๋อวันนี้พอดีว่าเปิดฟังประจําเลยการบ้านหอพักสวดเองสิดูกายไปเรื่อยๆดูกายนะคะดูกายเอากายเป็นฐานมว้ขอบคุณค่ะ นมาตการหลวงพ่อครับอขอบพระคุณขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆากครับผมก็เป็นศิษย์เก่ามาจากนร ก, กนใจร้อนพวกเดียวกันพอเพทว่าทำโมาโหขึ้นมานี่เห็นช้างตัวทมดอะ่ะแต่ว่าพอมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วสามปีนะเจอเจอหลวงพ่อครั้งแรกที่ช่องสามสามปีก็แค่สามปีผมจิตผมเปลี่ยนเลยนั่นแหละธรรมะของจริงนะ ผมสตาร์ทจากการดูจิตเพราะผมฟังหลวงพ่อพระครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ว่าจิตมันไม่ลงออะืมาฟังหลวงพ่อตั้งตั้งแต่หลวงพ่อแจกซีดีที่ช่องสามเรามาฟังจิตมันลงแล้วสามปีถึงวันนี้ผมอื <c oughs> จิตเปลี่ยนไม่มาก <c oughs> เห็นไหมจิตมันเบิกบานได้เองดูออกไหมมันแ ย, นยมแจ่มใสได้เองมันเบื่อแล้วหลวงพออ่อไม่อยากอยู่ผมลาออกจากงานแล้ว เดี๋ยวจริงๆครับผมจะไปบวชที่ถ้ำเชียงดาวเชียงใหม่เดือนหน้าแต่ผมลาออกล่วงหน้าเดือนหนึ่งเจ้านายก็ไม่อยากให้ออกเขาก็ไว้ใจเวลาเวลาไปบวชนะครับต้องให้วิชาไว้ป้องกันตัวไปดูตัวเองนะอย่าดูคนอื่นนะครับใช่เคยฟังซีดีหลวงพ่อยูถ้าดูคนอื่นแล้วก็บวชได้ไม่ทนหรอกใช่ครับเราจะเห็นเนยเมื่อวานก็มีพระมาบนโอ้ผมอยู่กับวัดไหนก็ไม่ได้แล้วหันไปทางไหนมีแต่คนผิด พระวินยัยมีแต่กิเลสครับใช่บอกแล้วกิเลสท่านท่านไม่เห็นมั้งเหร อ, อแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่อยากอยู่จะอยู่เฉพาะพรรษาถ้าออกพรรษาก็จะทุดงเรื่อยๆไปตั้งใจไว้จิตมันเปลี่ยนมันเบือ่อครับหลวงพ่อเบื่อทุกอย่างเบื่อย่าให้ความเบือ่อครอบงำจิตจากคนที่โทสะแรงในเพื่อนโลงงานนี่ไม่ค่อยกล้าคุยกับผมนะเพราะผ ม, มงุทะลุไง ผมมาโหนไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใจมันเปลี่ยนใจเปลี่ยนไม่เป็นไรนะรแต่อย่าให้อารมณ์เนี่ยครอบใจได้รกระทั่งปีตีก็ไม่ให้ครอบใจนะเพราะฉะนั้นจะคอยรู้ทันใจหมถ้าถูกความรู้สึกครอบงำใจได้ต้องฝึกอีกอย่าไปยอมตอนนี้ความรู้สึกยังยอมใจได้อยู่นะไปฝึกไป เวลาบวชได้จะไปยุ่งกับคนอื่นดูของเราไว้ถ้าจำำําคําหลวงพ่อไว้ในซีดีที่หลวงพ่อพูดอืมไม่ยุ่งกับคนอื่นเ อ, อ <c oughs> เห็นไหมปีตีเกิด <c oughs> เห็นไหมเนี้ยรู้ทันมันอย่าให้มันครอบใจเราอ ะ, อะต่อไปมาสการครับหลวงพ่อวันนี้ผมมาส่งกันนะให้ให้คุณยายครับคุณยายฟังซีดีประมาณปีหนึ่งแล้วครับยา ย, ยายฟังซีดีเป็นเหรอฟังได้แล้วล่ะครับ ดูใจไปนะใจสว่างสวยขึ้นมาเราก็รู้ใจสบายก็รู้นะดูไปใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าใจให้ดีกว่านั้นก็คือถ้าร่างกายกระดุกกระดิกก็รู้สึกด้วยนะพออายุเยอะขึ้นเนะี่ยทิ้งกายไม่ได้แต่ที่ยายทำานะ่ใช้ได้แล้วนะการนมัสการค่ะหลวงพ่อ เ อ, อเมื่อเดือนมีนาได้มาสงสัยธรรมะถึงข้อหนึ่งที่เรื่องกายวิเวกและจิตวิเวกที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ไปดันอารมณ์ก็เริ่มไปกําหนดลองดูว่าเสภาวะนี้มันจะเป็นยังไงขงั้นแรกแรกรู้สึกจะกําหนดยากนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นลักษณะของการฝืนนะคะฝืนอารมณ์ที่จะรับสภาวะทั้งสองแต่ก็ลองพยายามทําดูรู้สึกดูมันก็พอไปได้ครัหลวงพ่อ อันนี้ห <Okay, S 2> ลวงพ่อจะให้ลูกแก้อย่างไงอะคะแก้อะไรนะแก้ที่ว่าเราจะวางเฉยอันนี้หรือว่าเราจะมันไม่วางหรอกหรือจะกำหนดเป็นตัวพิภัญณาต่อหรือยังไงให้ให้รู้ทันจิตที่มีโทสะเจือนะอ๋อมันมีโทสะเจืออยู่ค่ะนะให้รู้ทันตัวนี้ค่ะนะเพราะตัวนี้เป็นตัวทําลายความสงบสุขในใจเรานะแล้วอีกอย่างหนึ่งยมดูตัวนี้ด้วยนะอันนี้เราสอนแบบ โตโแล้วนะแบบตรงไปตรงมาโยมดูเรื่องมานาอัตตาด้วยมานะอัตตาดูตัวนี้ด้วยนะอย่างเรามีศีลมีธรรมเราดีเลยเนี่ยเราจะรู้สึกเราดีกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูโทสะกับดูมานาอัตตาไว้ค่ะกรรมฐานก็ทําปกตินั่นแหละนะและทีนี้มันมีสองสาวันนี้มีอีกสภาวะหนึ่งขึ้นขณะที่เราจะเป็นบ่อยค่ะเวลาเราทํางานหรืออะไรกันแล้วแต่หรือเจะทานข้าววัแล้วแต่ อารมณ์ข้างนอกนี่จะสงบและนิ่งเงียบมันพลอยเอาจิตนิ่งนิ่งแล้วเงียบไปพร้อมกันเลยหลวงพ่ออันนี้จะทํำยังไง จ, จะเข้าสู่วิปัสสนาหรือว่าจะอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาดอกนะจิตมันไปพักนิ่งนิ่งเฉยๆฉยนะของโยมถ้าจะเดินวิปัสสนาจริงๆนะโยมพยายามรู้สึกร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูคิดพิจารณานําไปนิดหน่อยก็ได้วนะ่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เพราะว่าสมาธิของโยมเยอะนะค่ะ <c oughs> ถ้าสมาธิเยอะเนี่ยให้ดูจิตเนี่ยดูยาก <c oughs> จะดูวิปัสสนาด้วยการดูจิตเนี่ยยาก <c oughs> นะให้ดูกายไปแต่ว่าคอยระวังเนะี่ยโทสะะ <c oughs> <c oughs> โทสะกามานาตามันจะแทรก <c oughs> ดูกายเป็นหลักเนี่ยเห็นไหมร่างกายพยักหน้า <c oughs> นะรู้สึกไปด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่ารู้สึกด้วยใจที่ตึงๆนะต้องรู้สึกด้วยใจที่สบายๆยิ้มหวานสิเนี่ยใจอย่างนี้ ใ่อย่างตรงนี้เลยนะถ้าใจอย่างนี้ไม่ได้นะกลับขอพระคุณเจ้าค่ะโมทนานะยมใช้ได้อยู่กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาบอกว่าภาวนาเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเกินไปทีนี้ปีนี้เอาหน้ามาให้หลวงพ่อดูว่า ดีกว่าเก่านะ <c oughs> <c oughs> นึก<น>ออกหรือยังว่ามันเครียดไปนึกออกค่ะถ้าเครียดนะมันไม่เดินปัญญา ท, ทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่ามันมีความสุขไปมากไปหรือเปล่าให้ความสุขไม่มีมากไปหรอกมีความสุขรู้ว่ามีความสุข <c oughs> ถ้าชอบในความสุขรู้ว่าชอบจะไม่ติดความสุขนะ<อ>แต่ถ้ามีความสุขแล้วชอบแล้วไม่รู้เนี่ยถึงจะติดคิดว่าคิดว่าตัวเองไม่ไม่ได้ไม่จะติดในความสุขแต่รู้สึก ค่ะรู้สึกเอมไม่ต้องกลัวติดความสุขเพราะพื้นเดิมไหนมขี้โมโหด้วยซ้ําไปใช่ใช่ค่ะนะไม่ต้องกลัวติดความสุขหรอกก็ยังขี้โมโหอยู่บ้างเป็นบางครั้งค่ะแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วก็รู้สึกตัวเองว่ามัน อ, อัตตาน้อยลงจริงหรือเปล่าคะถูกสังเกตไม้มใจเราเปลี่ยนใจเราสว่างสวัยนะค่ะใจเราเบาค่ะใช่ใช่ค่ะงุ้มนวคล่องแคล่วว่องไวขึ้นไม่ใช่ซื้อบืออยู่ทั้งวันนะ อย่ามาใช้ไม่ได้หรอกถูกค่ะอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะมาถูกแล้วใช่ไหมคะมาถูกแล้วทําทําต่อใช่ไหมคะทําต่อแต่ระวังฟุ้งซ่านเพร<อ>าะปล่อยนานๆมันจะฟุ้งเอมทีนี้เรื่องการทําในรูปแบบนี้คือว่าตั้งแต่หลวงพ่อบอกว่าเคร่งเครียดไปก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทําค่ะเ อ, อทแต่บ้างละ แ, แต่ว่าจะอืมใช้ดูดูเวลาที่เราทําอะไรไปอย่างเนี้ยคะ่ะในชีวิต ในชีวิตนี่ต้องขี่จักรยานทุกวันค่ะอืก็เลยได้ได้ตอนขี่จักรยานน ะ, ะขีดในบ้านหรือขีดขี่ไปทํางานค่ะอใช่งั้นอย่าดูเดีย๋ยวดูจิตนะดูถนนไว้ไม่ไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูจิตแต่ว่ามันจะรู้สึกเองว่ามันจะนับมันจะนับค่ะเนับไ ป, นไปได้นะแต่หูตาต้องไวนะคค่ะคะอเคยหกล้มแล้วค่ะแต่ว่าหกล้มไม่เท่าไหร่หรอกล้พรากลัวรถบรรทุกเจอมา แ, แต่ เคยหกล้มเพราะว่าถูกรถเบียดแต่ว่าตอน<ม>ที่<ม>จะล้มนี่จะรู้ว่าจะล้มอย่างเงี้ยค่ะก็เลือ ก, กล้มดี ๆ, ดๆหน่อยค่ะแล้วก็อีกมีนะพวกขี่จักรยานข้ามประเทศอ่ะข้ามมาหลายประเทศเลยนะมาตายเมืองไทยมีข้อที่สองคือว่าบาังเอิญในงานที่ทำเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ได้ไดพูดคุยกับคนอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็จะได้มีโอกาสแชร์ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อมาอมกราบขอเข้ามาว่าถ้าเกิดได้พูดอะไรแตพ่พยายามจะไม่พูดเกินนะคะแต่ว่าเพราะว่าตัวเองปฏิบัติเรารู้สึกดีก็ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้แบ่งปันคะก็กราบขอเข้ามาหลวงพ่อไว้ณนะทีนี้ถ้าหากว่ามีอะไรที่ร้าจะแบ่ ง, <ล>งปันนะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือไปขอซีดีที่คุณธนาเราอยากแบ่งปันใครเราก็แจกซีดีไม่ต้องเทศเองก็ได้ ทีนี้มันเป็นฝรั่งค่ะมันไม่รู้<อ>เรื่องเออจําเป็นค่ะที่แล้วก็ข้อที่สามนี่ตั้งใจมากเลยอยากจะมาบอกกับทีมงานว่าเออทีมงานนี่มีบุญคุณมากเหลือเกินอืเพราะว่าการที่เราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ไม่ไม่สามารถที่จะได้ฟังสิ่งเหล่านี้อืทีนี้มันไปถึงที่บ้านอย่างเงี้ยมันมีความสุขได้ได้ฟังทุกวันทั้งวันทั้งคืนยอะไรเงี้ยค่ะของโยมภาวนาใช้ได้แล้วละ่ะ แล้วทีนี้มีข้อหนึ่งค่ะ <c ười> คือว่าพอได้ยินเสียงหลวงพ่ อ, อให้พร อ, อย่างเงี้ยมันจะมีความสุขมากแล้วก็โมทนาโอเคไหมคะโ <c ười> อเคเดี๋ยวค่ะขอโทษค่ะคืออยากจะทราบ ว, ว่าการที่เราโมทนาไปแบบนี้ได้บุญโอเคใช่ไหมคะโอเคสิ <c ười> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะเรียกจะเรียกลูกชายมาด้วยบอกว่ามาม า, ม า, ม, ามาโมธนาหลวงพ่อให้พรโ อ, อเคใช่ไหมคะโอเคกล่าวน้ำพรส ก, การหลวงพอ่อแล้วก็ขอบพระคุณทีมงานทุกๆคนนะคะแบบว่าท่านได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แล้วก็มันไปถึงที่ไหนที่ไหนอ่ะนี่อยู่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ <c oughs> ได้ได้สร้างสร้างคนบางคนขึ้นมาอย่างนี้นะสาธุนะสาธุค่ะรู้แล้วก็บอกสอนะคาบอกต่อค่ะพยายาม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 ขอพระอาจารย์ได้ผลรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทินเนเหยาถาอวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเฟตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจฉุสัพเพภูเรนตูสังกปา จันโทพนรสโสยะถามณิชโชติระสโสยะาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังุทาปัจจายโนจะตาโรโธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพะังสาทุ ดีนะอยู่ฝรั่งเศสเผยแพร่ไปดให้ธรรมะมันกระจายออกไป